ใส่ไม่ใส่ไม่ถ้ามมนได้ยินเสียงเจ้าของเนี่ยมันมันมันไม่จูบเสียงมันพูดไปแล้วก็เมื่อเมื่นเสียงมันหายไปเลยหายไปเลยเบงขึ้นจะเป็นจะตายแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเจ้าของอย่าลืมว่าพูดให้คนข้างนอกได้ยินเจ้าของไม่จะเป็นต้องได้ย yeah. mm ิน hmm. ม mm ันไม่ม so ีเสียงพูดนะพูดไปแล้วหายเงียบเหมือนมันดูดเสียงล้วไปหมดเลยนะเบ่งเสียงจนจะเป็นจะตายไม่ได้ยิน กมันก็เป็นที่ลำโพงด้วยเมื่อกี้หันลำโพงเปล่าอ่เนี่ยี่อันนี้พอได้ยินบ้างพอหูดได้ยินบ้างต้องเจ้าของเจอเองถึงจะรู้มันไม่มีเสียงออกเด้ยิง่งเราไปพูดตามที่ต่างๆด้วยแล้วเนี่ยพูดไปหาเงียบพูดไปหาเงียบอู้ตายแล้วแบบนี้เสียงไม่ไหวดอกพราแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไม่รู้ท่านบอกว่าไม่ดูเสียงท่านไม่ไม่ดูเสียงท่านภาวะแบบนี้แหละ คือพูดไปแล้วเสียงเจ้าของไม่ได้ยินอ่าคือตำแหน่งลำโพงมันมันไม่ให้หูได้ยิน่ะหายเงียบไปเลยโอ้ยไม่ไหวบึนจนจะขาดใจตายไปเลยไม่ธรรมดาดิเหนื่อยอ่ะโอ้ฝันเรือพ่วงดูดทรายแม่น้าเจ้าพยานแหละพ่ ว, พวงยืดหิดิเห็นไหมไอตัวลากมันตัวน้อยๆเนีย่นยบึ คนจะเป็นจะตายไอตัวนั่งเบื่อเรอเห็น ไ, ไหมเดิมคนจะเป็นจะตายนะเมื่อก่อนเราได้ยินแต่ลุงตาท่านบน่นสมัยลุงตาท่านช่วยชาติได้ยินแต่ลุงตาท่านบนบนเรื่องเสียงที่ไหนเคเจอแต่ปัญหาเรื่องเสียงอพอเวลาเรามาเจอเองเรามาพูดนี่โอ้ตายเลยไปไม่ไปไม่ได้เลยแหละเสียงเนี่ยเยาว่าแต่เราเลย อาจารย์อาจารย์อุยอทยเนี่ยท่านเทศบนที่เผาเมนลวงตานะ่ะหน้าโมหน้าโมตาสาตาสาไปไม่ได้เเสียงมันสะท้อนเราก็เลยนะต่อไปถ้าเพิ่จะวางเสียงนี่ให้มีลำโพงเล็กๆให้หูท่านได้ยินได้ไหมไ ม, ไม่งั้นมันไม่ได้ล่ะมันไม่ไหวจริง หมอมาแล้วเหรอไห<ง>นออหมอคือได้ยินหรอที่ว่ายังไม่มา ไ, ม ไ, ไอ้ที่เราไอ้ที่เราพูดสบายที่สุดก็คือวัดโพวัดโพนี่เสียงดีลำโพงเล็กๆขณะนี้นะเล็กๆยาวๆ พูดดูดโอ๊ยอย่างนี้เราพูดได้ทั้งคืนน่ะเสียงมันดูดดีอะล้วไม่กังวลเรื่องเสียงเรื่องอะไรเลยที่วัดโผ่มีที่เดียวเนี่ยพูดเสียงเนี่ยดีมากเลยวัดโพธิสมพรไม่ใช่ลำโพงต้องใหญ่นะลำโพงเล็กๆยาวๆอ่าแล้วมันก็ไม่ก้องนะแปลงแปลงมันไม่ก้องเป็นไงรู้สึกคุ้มค่าไหม มีชมั่วโมงบินเยอะแล้วนะนี่ ả? สองวันมานี่ชั่วโมงบินไม่ใช่นนะ้อยนะไปถึงไหนแล้วเนี่ยชั่วโมงบินเนี่ย วงบินเราไม่ใช่น้อยน ะ, ะยังเหลืออีกคืนนี้เชา้าแต่เช้ามืดพรุ่งนี้แล้วก็ช่วงบ่ายเช้ามืดพรุ่งนี้วันนี้ช่วงกลางวันเราก็ไม่ได้ขึ้นมาให้ยท่านถามมาเล่านิทานให้ฟังได้ฟังนิทานอะไรบ้างเฮ้ พวเราก็ทําชั่วโมงบินให้มากๆคุณบาอาจารย์ท่านสอนพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็มเดียวให้ไปทํามาทั้งปีทั้งชาติพุโทโธแล้วได้อะไรไม่ต้องถามหลวงปู่เสาเขาถามพุทโธแล้วได้อะไรไม่ต้องถามไปทําให้ไปทำท่านสอนกันแค่นี้หลยท่านสอนกันแค่นี้แหละพุโทโธแล้วให้ไปทํา ทำจนได้ทำจนเป็นคือทำน่ะมันเป็นภาคสร้างเหตุเราสร้างเหตุไม่พอกับผลผลไม่เกิดการตั้งใจภาวนานบังคับได้แต่บังคับได้ในส่วนเหตุไม่ใช่บังคับในส่วนผลผลนี่บังคับไม่ได้บางคนพูดว่า ภาวนาเนบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้จะเอาอะไรมาสู้ตัญหามันไม่มีกําลังอะไรมาสู้เลยถ้าเราไม่บังคับตั้งเจตจํานงเต็มร้อยเนี่ยนี่คือบังคับสังวรสังวรประทานานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานอันนี้คือเครื่องมือภาคสนามจริงๆริงเครื่องมือภาคสนาจริงจริง สังวรประธานส้ำรวมเอาอะไรมาซ้ำรวมทำไมระวังเอาอะไรมาระวังทำไมส้ำรวมเอาอะไรมาสำรวมเอาสุติมาส้ำรวมเอาสัมปชัญญะมาส้ำรวมเอาเจิตจำนงเต็มร้อยมาส้ำรวม <c oughs> การส้ำรวม <c oughs> การระวังนี่แหล ะ, น, หละนี่แหละคือบังคับบังคับให้จิตขงองเราเดินตามเหตุสร้างทามเหตุทำตามเหตุเหตุคือมัดเหตุเราไม่บังคับใส่ มันจะเอาผลมาอย่างไรใชใ้ไปทำงานขี้เกียจขีคร้านกะดูเกลีร่วงนี่แล้งานมันจะได้ไหมไม่ได้ต้องบังคับให้มันทำถ้าไม่ทำมันได้ลงมาสร้างเหตุและผลที่นําจะเจริญว่าเงยไม่มีอย่างงานแบบนี้เราบังคับบังคับที่ไหนบังคับที่ใจเราทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ให้เรามีสติกํากับมีสัมผัชัญยา ก, กํากับตลอดให้ตื่นโรคอยู่ตลอดเราอยากไปเรียกร้องหาผลในเมื่อเราไม่ทําเหตุไม่สมกับผลผลที่ไหนจะเกิดเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นผลท่านไม่ให้หมายได้หรือไม่ได้ปล่อยทิ้งเรื่องผลตั้งใจสร้างแต่เหตุตั้งใจทําแต่เหตุเหตุไม่ถึงผลก็ไม่โผล่ขุดไม่ถึงที่ น้ำมันก็ไม่ออกน้ำบ่อน่ะขุดไม่ถึง่านน้ำน้ำไม่ออกไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็ขุดยังไม่ถึงน้ำที่ไหนมันจะมีไม่มีน้ำไม่มีน้ำส่วนหนึ่งรถเดาละดาสูงไปละที่นู่นดีที่นี่ดีที่นั่นไม่ดีที่นี่ไม่ดีอ้าวไปแลยที่นี่ไม่ดูเหตุเจ้าของเลยมาสำคัญที่เหตุนะ เหตุเดินไปตามผลผลเดินไปตามเหตุมันมีอีกข้อหนึ่งก็คือทายผลผิดไปจากเหตุแล้วก็ทายเหตุผิดไปจากผลต้องการผลอย่างหนึ่งไปทําเหตุอีกอย่างนึงต้องการเขียนสีขาว เ, เอาแปรงไปจุ่มสีดํเนี่ยนี่คือเหตุกับผลไม่เข้ากันลวความต้องการต้องการสีขาวแต่เอาแปรงไปจุ่มสีดํา เมื่อประชุมสีดำเป็นเหตุเอาไปเขียนมันเป็นสีขาวมันอย่างที่เราต้องการไหมมันก็ต้องเป็นสีดำปุถุชนเรานี่ทายเหตุไม่ถูกกับผลทายผลไม่ถูกกับเหตุเพราะฉะนั้นเราแก้ทุกยิ่งแก้ยิ่งมัดยิ่งแก้ยิ่งมัดเพราะเราไม่รู้ปมเราไม่รู้เงื่อนเราไม่รู้บายเราไม่รู้วิธีมืดบอดที่เรเรียกว่ามืดบอดมืดบอดมืดสติมืดปัญญาบอดส ต, บดสติบอดปัญญา บอ ท, งทังทั้งที่ตาใสแจ๋วอยู่นี่แหละมืดบอดหูหนวกตั้งทั้งที่หูดีนี่แหละตาบอดหูหนวกขาดตาปัญญาขาดหูปัญญาเราต้องชี้มาที่เราชี้มาที่ใจของเราชี้ไปที่ไหนก็ไม่ถูกชี้มาที่ใจของเราพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมอนัตตลกนณสสูตรเนี่ยไหม อนั น, นตลักษณะสูตรหมายความว่าพระองค์เตรียมพร้อมแล้วโกลธรรมะวัปปะพัทธยะมานามะอสิชิเตรียมพร้อมคือเคลียพื้นที่พร้อมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดตกกระแสทั้งหมดแล้วเนี่ยมาตกกระแสทั้งหมดแล้วเนี่ยอัตตาอนัตตารู้รสชาตเขาหมันแล้วอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยลงอาวุธหนักอะไรว่างั้นแต่อัอนัตตาฮะ รูปังพิเวนตารูปัจายังพิกเวอตาภาวิสสะในยดังรูปังอบาทายส้งบัตตียะลพเทใจจารูเปเอวังเมรูปังโหดุเอวังเมรูปังมาโหสิติรูปเป็นเราไหมรูปเป็นอัตตาไหมรูปรูปรูปเป็นเราไหมเราบอกได้ไหม รูปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ารูปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าข้ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าในเมื่อรูปเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงรูปเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอาตตาพระเจ้าข้าในในบทที่เราสวดมันเหมือนกับเป็นบทที่ฝึกซ้อมถามตอบในขณะเดียวกันเลยนะอนัตตาพระเจ้าค้า นัตตาใจมันก็ลงพร้อมใจมันก็ลงพร้อมใจมันลงพร้อ ม, ม, อมเป็นในขณะที่ฟังเลยอันนั้นคือท่านเกิดในกาลสมบัติฟังเทศต่อพระโอษฐ์ของพระพุทธเจา้าท่านเป็นผู้มีบุญท่านไปเกิดในกาลสมบัติพวกเราเกิดในการอะไรไมันรู้นะการกลิยุบพวกเราเนี่ย ดูต่โลกวุ่นวายนะการกะลยุบถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ปลายเครือปนบวกตน้นอะไรเนี่ยมักแตงมักบวกเนี่ยแตงมักบวกมักเขืออนี่ปลายปลายเครือปลายยอดยอดเรีย ว, ย, วยอดนจะกุดอยู่ด้ว น, นจะด้วนอยู่แล้ว ช้อนตะกุดจะด้วนอยู่แล้วนี่ไปออกมามาที่นั้นจะสมพูนโอ้ดูแล้วสลดใจพวกเราสลดใจหัวใจของเราของเขาของท่านเราเกิดในยุคนี้ในยุคที่มีโอกาสอยู่มีเวลาอยู่มีปฏิรูปประเทศอยู่ แต่มันมีสิ่งแทรกซึมเข้ามามากมายมหาศาลที่มากวนใจทําให้บรรยากาศไม่เหมือนยุคนั้นไม่เหมือนสมัยนั้นมันไม่อื้ออํานวยนอกจากนั้นเราก็ยังเป็นปลายยังเป็นปลายการปลายสมัยเงี้ยปลายการปลายสมัยแต่แท้ที่จริงพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยังคึกกล้องอยู่ หลักสักจธรรมเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่แต่หลักสักจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่าทรงอมตระสอนนั้นคือสิ่งที่เป็นความจริงของโลกถึงแมพ้พระองค์ไม่ได้มา อ, อุปบัติสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เป็นอยู่มีอยู่ประจำโลกอาศัยว่าพระองค์บัติขึ้นมาเพื่อที่จะมาเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ฟังได้ยินได้ฟังเท่านั้นเอง ไทหาสักจรรมเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกพระองค์จะมาอาวบก็ตามไม่มาอาวบก็ตามธรรมธาตุธรรมทิติธรรมนิยามเนี่ยธรรมธาตุธรรมทิติธรรมนิยามธรรมธาตุธรรมทิติธรรมนิยามคือภาวะของโลกาธาตุของโลกตั้งอยู่ตามภาวะของโลกตั้งอยู่ตามคติของโลกคติของโลกคืออะไรอันนี้จางทุกขังอนัตตา ดูข้าง ว, า ส, า, งว า, าสูข้างวาอนุขมสู่ข้างว่าตัดสมิงปินิ้บินตตีกายะสมิงปินิบนน้บินตตีฟังถามทางถ้ า, ถาพอเวลาไ ป, ไปสรุปก็ประสงค์พระสาวกเหล่านันก็เบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเมเวตนาเบื่อหน่ายในสัญญาในสังขารในวิญญาณ นิ บ, บินตีนิ บ, บินติเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายนิบบินดังเป็นรัิติเมื่อเบือเบบบเอเบ่อหน่ายก็คลายเมื่อคลายก็จางเมื่อจางก็หลุดเมื่อหลุดก็พ้นเมื่อพ้นมีญาทัศนะบอกอีกว่าพ้นแล้ววิมุตตมิติญาณางห่อติขี้นาชาติวุคสิตังปรามจริยังจบพรมจรรย์แล้วกระตังกรณียังงานการที่จะต้องทําให้ยิ่งไปมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ีอันตรรักษณะสูตรอันตรรักษณะสูตรเรามาดูข้อเท็จจริงของธรรมชาติที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงกับสิ่งที่เป็นจอมปลอมที่มันอยู่ในหัวใจของเราเราดูสิมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเท่าไหร่สิ่งที่เป็นจอมปลอมคือกิเลสอันหาที่มันคอยหลอกลวงเราทุกระยะทุกเวลาถูกรอกถูกหลอกทุกขณะจิตถูกหลอกมันไม่เคยรายงานข้อเท็จจริงให้เราหรอกรายงานหลอก รายงานบีบรายงานงานบังคับบีบบังคับให้เป็นไปตามใจหวังเข้ามาทั้งหมดให้รูปเที่ยงให้รูปสุขให้รูปเป็นอัตตาแท้ที่จริงไอ้ผู้ปรารถนาคืออะไรใจดวงเดียวเจ้าของรู้อยู่ไกลใจหวังเราเนี่คิดเอาคิดเอาคิดเอาขอให้สุขขอให้เป็นไปตามใจหวังของเราเองกับสิ่งที่มันจะเป็นไปตามใจหวังของเรามันคนละเรื่องคนละเหตุผล มันคนละเหตุผลอเหตุผลต่อกันไม่ติดเหตุผลเชื่อมกันไม่ติดนี่เราดูที่พวกเราเน่ยถูกปิดบงังปิดหูปิดตาขนาดไหนความรู้สติปัญญาความฉลาดความรอบคอบเพราะฉะนั้นพวกเราถูกปิดบังมาอย่างนี้จ น, นจำเจจนชินชาเวลาเรามาเดินตามหนทางที่ท่านพาเราดําเนินเนี่ยมันง่ายหรือมันยากเราดูสิอ จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ทำได้จะว่าง่ายก็ทำยากจะว่าไม่ได้ก็ทำได้อยู่เพราะได้ดื่มดูดดื่มโอดชะของธรรมอยู่มีรถมีชาติอยู่มีผู้ตั้งใจฝึกฝนอบรมได้อัดได้ทำมีอยู่ แต่ต้องตั้งอกตั้งใจทําอย่างยิ่งยวดต้องตัง้งใจทําอย่างยิยยงงยย่ง ย, ย, ยวดสถานะของผู้ทำสถานะของผู้ทำไม้สดชุ่มด้วยยาไม้สดมันก็ต้องชุ่มด้วยยานอกจากชุ่มด้วยยางแล้ว มันยังถูกแช่อยู่ในน้ําอีกบุรุษต้องการไฟเอาไม้อันนี้ไปสีเกิดไฟพระพุทธเจ้าสัานทรงต ร, รัสว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าทําไมจึงเหนื่อยเปล่าเพราะน้ํากับไฟมันเป็นปฏิปักษ์กันจะเอาไฟที่ไหนมาเกิดเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ข้ออุปมาอันนี้มันบ่งบอกมาที่สถานะของเรา แต่ละหัวใจไม้สดชุ่มโดยยางบรุษมีกายยังไม่ออกจากกามมีใจยังไม่ออกจากกามความชุ่มเปียกของไมน้นะท่านเปียกเสมือนกามมาคุณในหัวใจของเราใจของเราชุ่มแปรไปด้วยกามกามมาคุณในหัวใจของเราจากนั้นแล้วเราก็บริโภคกามีมันชุ่มแช่ด้วย ด้วยอย่างแล้วด้วยความสดแล้วยังไม่พอถูกแช่อยู่ในน้ำํำหมายความว่าบริโภคซ้ําแล้วซ้ำอีซ้ําแล้วซ้ำอีเมื่อเราถูกแช่อยู่ในน้ําเอาไม้สดๆไปสีให้เกิดไฟท่านว่าเหนื่อยเปล่าคําว่าเหนื่อยเปล่าในที่หมายความว่าโอกาสที่มันพุดขึ้นมาจะเป็นเปลวขึ้นมาทันทีมันเป็นไม่ได้แต่วิบากกรรมที่เราเอาไปเสียดไปสีกัน่ะมีอยู่ ไม้สดๆเราไปเสียดสีกันให้เกิดสีไปซะหน่อยหนึ่งไม่หยุดไม่หย่นมันก็ตลบปลอ ก, ปกเปิดขึ้นมา เ, เริ่มเหือดเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งขึ้นมาแต่โอกาสที่จะเป็นเปลวขึ้นมาเลยเป็นได้ยากบรุษมีกายยังไม่ออกจากกามมีใจยังไม่ออกจากกามคำว่ า, ากายออกจากกามหมายความว่าเราออกจากบ้านจากช่องมาอยู่ในที่ที่บเพ็ญ เชนอย่างเป็นวัดเป็นวาเป็นสำนักเป็นที่ๆที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการไม่มีครอบไม่มีครัวไม่มีอะไรนะที่ท่าเรียก ว, ว่าเอากายออกจากกามบางที่เอากายออกมาแล้วแต่ใจมันยังไม่ออกจากกามมันนึกคิดถึงเรื่องกาม เ, เคยได้ยินไม่รลงตาท่านเขียนประวัติของปู่มั่นนะนะ่ะที่ทำสาริกานะ่ะรลองตาเอาหนึ่งตั้งสำนักอยู่ที่ตีนตีนตีนนะนะ่ะ ที่ตีนเขาเนะนี่ยนะหลงปู่ม่านท่านดูแรงแรงดูปรารจิตท่รู้ปรารจิตเนี่ยว่าดึกๆึกย้อนจิตลงไปดูดวงตาขอางนั้นนึกว่าวุ่นเดกระเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องรูปเรื่องมีอะไรทรัพย์สมบัติเรื่องน้นปุ้งหมดทั้งคืนว่าวุ่นอยู่ทั้งคืนนานคือใจมันไม่ออกจากกามใจมันว่าวุ่นอยู่อยู่เติวุ่นอยู่เติรกระเรื่องกามดึง ไปใส่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่พอ1ิบครั้งหรอกกายมันมีอำนาจกว่ามันมีพลังกว่ามันก็ดึงไปแล้วมันได้พอ10ครั้งแล้วมันดึงออกไปแล้วมันไม่ได้พอ10ครั้งมันดึงออกไปแล้วเนี่ยมีกายยังไม่ออกจากการมีจิตยังไม่ออกจากกามทีนี้กายยังไม่ออกจากการเรายังอยู่บ้านยังอยู่ช่องแต่เราให้เวลากับการตั้งใจภาวนาเพื่อให้ใจสงบ เพราะถ้าใจสงบคือใจออกจากกามใจของเราถ้าสงบใจจะเริ่มออกจากกามอย่าลืมว่ากามในที่นี้หมายความว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสโคจรของใจเทียมันจะไปนึกไปคิดมันไม่มีอะไรมีมีเรื่องเหล่านี้แหละที่เรียกว่าโคจรของมันโคจรของใจเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสมันเป็นอายต์มันเป็นของภายนอกของภายในคือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเนี่ยนี่มันเป็นอัยตนะมันเป็นเครื่องต่ออันนี้เครื่องต่ออยู่ข้างในอันนั้นเครื่องต่ออยู่ข้างนอกตาเข้าไปต่อกับรูปหูไปต่อกับเสียงจมูกต่อกับกลิ่นลิ้นต่อกับรสกายสัมผัสกายะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีสัตว์มาตอมมาไตมาตอมมาอะไรต่ออะไรเนี่ยประสาทกายประสาทกาย ใจเกี่ยวข้องกับธรรมอารมณ์น้อมนึกเข้าไปในหัวใจของเราโคจรเข้ามันคือมันนึกเรื่องรูปมันติดรูปนึกเรื่องเสียงเพราะมันติดเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเพราะมันติดเรื่องสัมผัสใจมันติดมันก็คิดแต่โคจรเข้ามานั่นแหละนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของกามเราออกได้ต่อเมื่อเราสงบเอาบทธรรมมากำกับแทนอารมณ์ที่ มันจะดึงจิตของเราไป น, นึกคิดเรื่องการเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราพุโทโธพุโทโธมากำกับพุโทโธนี้เป็นอารมณ์ของธรรมเราทำพุโทโธไม่หยุดไม่หย่อนวิบากมันก็เป็นวิบากของธรรมเจริญธรรมกรรมวิบากผลได้ได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนถ้าเราเจริญแต่บทธรรมถึงแม้เกลียดจะแทรกมามันก็มีปริมาณน้อยมีส่วนน้อยอารมณ์ของธรรม ก็ย่อมจะเจริญสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างนีเริ่มรู้เริ่มรู้จักจิตของเราห่างจากอารมณ์ของกามห่างจากอารมณ์ของกามจิตเริ่มสงบจิตเริ่มห่างจากอารมณ์ของกามเราไม่เอาจิตออกจากกามเราเอาแต่กายออกจากกามมาแต่จิตนั่งนึกนั่งคิดแต่เรื่องกามเหมือนอย่างหลวงตาที่ว่าอยู่ตีนท่ามสา ร, ริการนี่ยนะ <ś led> มีกายออกจากกามอย่แต่ใจยังไม่ออกจากกามนี่มันเป็นเครื่องบ่งบอกมาที่สถานะของพูดทรรมหมายถึงพวกเราเนี่ยเราสามารถดัดแปลงสิ่งที่เป็นอารมณ์ของกามเหล่านั้นได้มากน้อยเท่าไหร่ดึงมาสองสาคำแล้วมันก็ตีหลุดมาดึงมือไปแล้วมันเอาไปใช้งานอีกแล้วเอามาหา คำสิบคำตีหลุดมาลูมึง อ, ออกไปแล้วเอาไปใช้ตามเรื่องตามราวของมันเพราะอันะมันรุนแรงรุนแรงหรือไม่รุนแรงเรารู้ที่นี่แหละคือยางเหนียวที่ทําให้เราเกาะติดอยู่ในโลกยางตัวนี้แหละยีเหนียวที่สุดเหนียวที่สุดถ้าเป็นเส้นได้เส้นได้เล็กๆตัดยากที่สุดตัดไม่ขาดมันเยื่อใยอยนั้นนี่นะคือยางเหนียวยางเหนียว ตัวนี้แหละทำให้เราพลิกผันไปในภพชาติไม่รู้จะเกี่ยวกับตัวนี้แหละมันไม่มันมันง่ายหรือมันยากเราอยู่บ้านอยู่ช่องนั่นแหละแต่เราพยายามภาวนาใจได้รับความสงบนั่นเริ่มหัดออกจากกามใจสงบทีไรเมื่อไรนี่ใจของเราออกจากกามนะสงบใจสงบใจก็จะออกจากกามมันไม่ไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสมันนึกแต่เรื่องพุโทโธนี่อยู่กับอารมณ์ธรรม ใจได้รับความสงบถ้าเราจะเทียบก็บเหมือนไม้แห้งเอาไม้แห้งไปสีเกิดไฟมีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะเป็นไฟขึ้นมาได้แต่ถ้าสีหยุดสีหยุดสีหยุดสีหยุดไฟก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเพราะไฟที่จะเกิดด้วยแรงเสียบสีนี่จะต้องสีอย่างต่อเนื่องสีไม่หยุดอันนี้ก็เป็นอีกสถานะหนึ่งจิตสงบแล้วจะทําให้ถึงทําหยุดทําหยุดทําหยุด ยิ่งเราไม่ได้รับความสงบด้วยแล้วก็ทาไม่ถึงอีกด้วยก็ถูไทยอยู่อย่างนั้นนหะแต่ผลเกิดขึ้นทุทกทครั้งเพิ่มพูนทุกคราวที่เราทำไม่ใช่เราทำทิ้นเปล่าเรื่องของวิบาก ท, ที่จะพึงตามมานั้นปฏิเสธไม่ได้ลงมือสร้างเหตุไปแล้วผลจะต้องตามมาลงมือสร้างเหตุไปแล้วผลจะต้องตามมาสร้างเหตุผิดผลก็ต้องพาไปผิดผิด สร้างเหตุถูกผลก็จะต้องมาถูกสร้างเหตุหนักสร้างเหตุพอผลก็จะต้องให้ผลมาตามนั้นเหตุตัวนี้แหละเราสามารถบังคับบัญชาตัวเอาตัวเราได้เอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปได้เราฟังดูผู้ริญเจ้าเอ้ยผู้บาอาจารย์แต่ละองค์แต่ลงค์ที่ท่านได้อาจได้ทำมาสอนพวกเราท่านใช้คําเดียวเหมือนเดียวเดียวกันหมดเด่นตายเด่นตายเด่นตายเด่นตาย เลียงตายหมายว่าเอาตายใส่ก็จะได้สิ่งเหล่านี้กลับมามาเป็นทั้งตัวมาบอกมาสอนพวกเราที่จะง่ายสบายเหมือนอย่างพระพายยากหายากที่จะง่ายที่จะสบายเหมือนกับพระพายายากยากอันนั้นหมายความว่าบารมีของท่านจะเต็มอยู่แล้วแต่ชีวิตจินทรีย์ท่านขาดซะก่อนซะในในชาติที่ก่อนจะมาเนี่ยชาติก่อนจะมาเนี่ย ไปตั้งใจบำเพ็ญความเพียรหมู่ของท่านอะบระาารลุเป็นพระอรหันตก็มีเป็นพระนาคาก็มีตายแล้วตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเหมือนอย่างท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีในหมูท่ที่ไปตั้งใจปฏิบัติ ด, ด้วยกันอะเจ็ดองบรรลุใครบ้างมรรลุเจ็ดองตอนนั้นในประวัติท่านพูดไว้เจ็ดองเพราะฉะนั้นอิอนทรีย์ของท่านเน่ยเต็มเปี่ยมสมบูรณ์แล้วแต่ว่าร่างกายมันไปน้อย ชีวิตตินทรีไรขาดลงซะ ก, ก่อนหมดพบชาติจบอัตภาพนั้นมาเกิดใหม่นี่เนี่ยมาเป็นพบชาติของพระพายยะยไปค้าขายทางเรือสัาเภาแตกลอยมาตามน้ําเกาะแผ่นกระดานลอยมาเกาะแผ่นกระดานลอยมา <c oughs> มาขึ้นที่ท่าเรือสุบารกะลอยมาตามน้ําในน้ำกับไม่มีผ้าผ้าพอนเรืออยู่ละนี่พระพายยะนะ ไม่มีผ้าพันเหลืออยู่เลยเพราะเหลืออยู่ไม่ได้เดี๋ยวน้ําดึงลงนั่นแหละลตัวลําจอนมาแล้วมาขึ้นท่ทาเรือกมาไปหาใบไม้มาปอกปิดมาเย็บมาเย็บมาปอกปิดความละอ า, ายของตัวเองน่ะคนทั้งหลายเห็นแปลกๆ แ, แบบนั้นโอ้โหนี่แหละพระอรหันนี่แหละพระอรหันตพรกันไปกราบไปไหว้เอานน้นมาให้เอานี้มาให้แอนักนาข้าเลยหลงตัวเองเอ๊เราทําตัวอย่างนี้เราได้อยู่ได้กินก็ <laughs> เ, เอามาให้ เราทำตัวอย่างนี้เขาเอามาให้เราได้อยู่ได้กินกับสิ่งเหล่านี้แน่นั่งนักเข้าเลยพลอยผสมรองเนพลอยผสมรองลืมตัวล้องตัวแล้วนะ่ะทั้งๆที่ไม่มีอะไรนะั่นนะ่ะก็คนคนขึ้นจาก้าขึ้นขึ้นจากน้ำมันไม่มีผ้าเอาใบไม้ไมาปกมาปิดเพราะว่าท่านละอายมีความละอายคนประชาชนทั้งหลายเห็นนะ นี่แหละพระอาหารหันต์นุ่งผ้านุ่งใบไม้แบบนี้นี่แหละพระาารเรามาดูพวกเรากับไอ้ประเภทที่ว่าตื่นข่าวตื่นข่าวมันจะลักษณะอย่างนี้เกือบทั้งนั้นเลยแหละเห็นเปล่งเลงนี่นี่โอ้ยขลังแท้แท้มันชอบอย่างนั้นอ่ะยิ่งคนทำตัวบ้า บ, า บ, าบอ อะไรด้วยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทำหรอกมันเป็นจริงๆกับบางคนนั่นมันไปถือเป็นเรื่องใหญ่ละถือเป็นเรื่องสาคัญแล้ะเพราะมนุษย์มันชอบอย่างนั้นอะมนุษย์ชอบของหลอกงั้นพระพายะในส่วแบบเดือดร้อนถึงเพื่อนเพราะเพื่อนท่านตายตอนที่ไปทำความเพียรด้วยกัน่ะเพื่อนตายแล้วไปเป็นเทวดาเทวดาโอ้ยเพื่อนเราไปใหญ่แล้วเนี่ยหลงตัวเองหลอกดวงเขาแล้วเนี่ยเพื่อนเลยมาบอก เพื่อนอย่าไปหลงตัวเองนักเลยหลอกตัวเองแล้วยังไม่พอหลอกคนอื่นอีกบาปกรรมหนักหนาสาหัสรีบไปรีบไปตอนนี้พระพุทธเจ้าบัดแล้วท่านอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นพระพยายะก็าเลยรียบไปตามที่เทวดาบอกเทวดาที่เป็นเพื่อนมาบอกไปก็ไปพบพระพุทธเจ้ากลังบิณฑบาตขอฟังธรรมพุทธเจ้าก็เฉยวารอบแรกอรอบที่สองขอฟังธรรมอีกต้ อ, องกเฉย พอรอบที่สาขอฟังทำถึงสามครั้งนะเพราะพระพุทธเจ้ากําลังเดินบินทบาทเสด็จบินทบาทพอรอบที่สามเบอกว่าข้าพระองค์ไม่แน่ใจว่าชีวิตของข้าพระองค์จะยืนยาวไปเท่าไหร่อาจจะตายวันตายพรุ่งขอพระองค์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมโปรดข้าพระองค์ด้ว ย, ยงั้นเธอจงฟังเหมือนกับมีกรร ม, มดานพอท่านได้เป็นพระอรหันต์ปั๊บนะ่ยวัวชนตาเลยนะ กำมันบรรดาลให้ท่านรีบเร่งเพื่อที่จะพุทธเจ้าจะได้แสดงธรรมให้ฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังท่ามกลางที่พระองค์ยังบิณฑบาตอยู่นั่นแหละหยุดแสดงธรรมให้ฟังเธอจงฟังเธอจงเห็นสัจธรรมเห็นพายะเธอจงเห็นสัจธวรมเห็นได้ยินสัจธรรมเห็นได้ยินได้เห็นสัจธวรมได้เห็นได้ยินสัจธรรมได้หินได้สัมผัสได้ลิ้นได้รสได้อะไรต่อแล้วสัจธรรมสัจธรรม พระพายญาเนี่ยบุญถึงและเน่บารมีถึงแล้วเนี่ยทำยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยเห็นสักดิ์ทั้งว่าเห็นจริงความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดได้ยินกษัตริย์ได้ว่าได้ยินจริงๆความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดไหนเมื่อยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดตัณหาไม่เกิดพบไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดพบไม่เกิดชาติไม่เกิดแสดงจบดับพบดับชาติได้พร้อมเลย ดับไอตัวที่เป็นเจ้าเป็นจองที่มาจับจองพบมาจับจองชาติตันหานปาทานในเมื่อตันหามันไม่โผล่ขึ้นมามันไม่แทรกขึ้นมามันแทกขึ้นมาไม่ได้ตันหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้แทรกขึ้นมาไม่ได้กุปาทานก็ดับพบก็ดับชาติก็ดับดับไปพร้อมดับไปพร้อมดับไปพร้อมดับไปพร้อมพุทธิยถเทศจบหนึ่งคาถามรุษย์เป็นพระ อ, อรหรันต์นี่คือผู้มรุปทําง่ายประเภทขีปปาพิญญา เกิบปาปิญญาพวกเราต้องถูกต้องไถต้องอบต้องรมต้องสร้างบารามเาีเรารู้ช่องรู้ทางรู้บายรู้วิธีที่เราจะทําแต่มันไม่ใช่ว่าอุบายนี้วิธีนี้แหละเป็นอุบายวิธีที่เขาทาไฟให้เกิดขึ้นได้ติขึ้นไม่ใช่เรามาเราจะถูชุดเดียวแล้วมันเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้เป็นไม่ได้ต้องอาศาัยแรงเสียดสี แสง ส, สีจนเกิดความร้อนจนมีสั ญ, ญลักษณ์ไฟปรากฏมีฐานามีควันปรากฏมีฐานน้ำดำปรากฏมีฐานแดงๆปรากฏสั ญ, ญลักษณ์ไฟปรากฏเมื่อมีสั ญ, ญลักษ์ไฟปรากฏแลนะ้วน่ะถ้าเราสมมติเราหยุดแป๊บสั ญ, ญลักษณ์เหล่านั้นก็จะเริ่มหายไปแล้วเพราะว่าไฟเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเสียดสีพอเราหยุดเสียดสีแป๊บไฟมันก็อ่อนลงก็อ่อนลงก็ดับลงหมอดลงมดลง นี่ยที่ครูใบอาจารย์ท่านว่าเดินตายเดินตายถ้าเดินตายตรงนีบบน ài, น ài, ้แหละกลมจะดับกลมจะหมดต้องได้ต้องได้เอาให้ได้เอาได้ไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้จะเอาให้ได้นี่ดน t t เดินตายตรงนี้แหละท่านว่าเดินตายเอาตรงนี้แหละเอาจนสุดใจขาดดิ้นเลยแหละจนฟุดขึ้นมาได้ไฟเกิดเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้เกิด ความรู้เกิดปัญญาเกิดญาณศาสนาขึ้นมาในขณะที่เรารีบเร่งขัดสีถูมัดในขณะที่เราดำเนินอยู่นั่นนี่เกณฑ์เกณฑ์ที่เราควรจะทราบมีกายยังไม่ออกจากกามคือกายยังอยู่บ้านอยู่ช่องมีใจยังไม่ออกจากกามใจนึกคิดเรื่องกาม กายออกจากการแล้วใจออกจากการแล้วหรือกายยั้งออกจากการอยู่บ้านอยู่ช่องนั่นแหละแต่ภาวนาจนใจได้รับความสงบฝึกหัดบ่อยครั้งเข้าจนใจได้รับความสงบมันสามารถทําได้ถึงแม้ว่าเราจะมีครอบครัวก็ตามอานัดแนกกันอยู่ครัมมุมบ้านนั่งภาวานาไปสิเมียอยู่บ้านผัวมาวัดผัวต้องใจภาวานาให้ใจได้รับความสงบเมียอยู่บ้านก็ต้องใจภาวานาให้ใจได้รับความสงบ เวลาเมียมาวัดเมียก็ตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบผัวอยู่บ้านก็ตั้งใจภาวนาให้ได้รับความสงบเนี่ยมันสามารถทําได้มันสําคัญที่ใจเพราะใจเราสงบแล้วเนี่ยก็คือใจมันออกจากกามแล้วมันสําคัญที่ใจใกายมันเป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองกายมันเป็นส่วนเสริมที่มันกวนจริงๆก็ ค, คือมันกวนที่ใจแล้วเมื่อใจตัดได้ เราตัดได้ด้วยอารมณ์ของทำอารมณ์ของทำก็คืออารมณ์ของพุโทโธพุโธโธพ้พองน้อยยุบน้อยนี่แหละโดยสติธรรมด้วยสัมผชัญยัตธรรมโดยมหาสติปัฏฐานโดยสมยุท t h โดยวิปัสนาเอาอารมณ์เหล่านี้แหละมาทำํำจนสามารถพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังนัตตาหมายความวา่าพอเรามีความสงบเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานแล้วเหมือนกับไม้มันแห้งเอาไม้แห้งไปเสียดสียให้เกิดเป็นไฟมีโอกาสจะเป็นไฟขึ้นมาได้ แต่ต้องทำให้ถูกวิธีทำให้ถูกวิธีก็ไม่เปลี่ยนขึ้นมาอีกหมายว่าเดินทางผิดก็ได้แต่ถ้าเดินทางถูกแล้วเดินไม่ถึงทำไม่ถึงขัดสีไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่จะติดเป็นเปลวไฟก็ติดไม่ได้นอกจากนั้นแล้วก็ทำทำทำแล้วก็หยุดทำทำทำทำแล้วก็หยุดทําำทแล้วก็หยุดโอกาสที่จะเร่าร้อนด้วยตะปัดทำในหัวใจของเรา จะไปขัดไปเกลาสิ่งเหล่านี้ในหัวใจของเรามันก็ไม่มีอะไรที่จะขัดจะเกลาร์มันไม่มีอะไรที่จะมาร้อนพอที่จะทําให้เกิดเป็นเปลือไฟแน่มันก็หยุดอย่างนั้นก็เนิ่นช้าอยู่ยางนั้นแต่ทําไปเรื่อยๆผู้ที่ท่านทนําจนได้อาได้ทําจริงๆท่านทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆหนหน้าเข้าไปเรื่อยๆพอเวลาจะเห็นผลจริงๆก็นั่นแหละเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไป เอาเป็นเอาตายใส่เข้าไป like. เคยหลุดไม้หลุดมือไปกลัวจะหลุดไม้หลุดมือเอาเป็นอัาตายใส่เข้าไปเลยเป็นอย่างนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านท่านเอามาสอนเหลือเด่นตายเอามาสอนพวกเราเดนตายตรงนี้แหละท่านบอกมันหนักมันหนักมันหนักท่านไม่ได้ไปแบบไปหาเหมือนธรรมหากินแบบที่เราธรรมหากินนะหาเงินหาทองหรอกมันไม่ใช่เป hmm. ็นหนักแบบนั Twenty ้นหนักแบบนี้แหละหนักเพราะอะไเพราะบังคับจิตเขาตัวเองนี่แหละ บังคับจิตให้เดินมั่งเนี่ยไม่บังคับไม่ได้หนาะปล่อยไปตามสบายสบายสบายสบายสบายยิ่งปล่อยอยู่สะดวกสบายตามสบายแล้วมันก็เป็นกามสุคขาลิกาเนโยโขประกอบตนพัวพันในกามมันก็ชุ่มแปร่ไปด้วยกามขุยเจ้าท่านทรงสแสดงทางกระถาศีลกถาสักข้ากถาอนุปปภิกถาเนี่ย ทานและกถาศีลและก็ถาท่านแสดงเรื่องทานเรื่องศีลทานศีลทําให้เรามีผลมียในสง์ได้เป็นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นชะกามาพยจรสวรรค์หกชั้นเป็นชั้นชะกามาพยจรสิเกิดบนสวรรค์ให้ทานอย่างยิ่งให้ทานอย่างเดียวให้ทานอย่างเดียวให้ทานอย่างยิ่งรักษาศีลอย่างยิ่งแต่ไม่ได้ภาวนา ตายไปแล้วไปเป็นเทวดาเกิดบนสวรรค์นั้นในนั้ น, นบนนั้นมีแต่การมคุณเต็มแปร่ยอยูน่นันแะเจ้าระดับไหนมีพร้อมหมดมนุษย์เราโลกนษย์เราสู้ก็ไม่ได้ดอกคิดดูที่ห้าสิบวันเรา เ, เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาร้อยวันเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาคิดดู บางชั้นเนี่ยห้าสิบวันเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาบางชั้นกับร้อยร้อยปีเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาหยุดดูสิแล้วก็มีอายุเป็นหมืนม่นหมืน่นปีอเงี้ยมีความสุขอยู่กับกรรมคนทั้งหลายทั้งปวนั้นอ<ม><ม>ุติยชนทรนสอนทานสอนศีลเป็นเหตุให้ได้สวรรค์เสแล้วท่านสอนให้เห็นโทษของสวรรค์คือโทษของกรรมบนสวรรค์ก็คือบน บนโลกของกรรมอกุลกรรมคุลแต่มันละเอียดมันประณีตในวัฏสงสารที่เราเดินไปเนี่ยเราได้ไปพักอยู่ในภพในภูมิเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นที่พักริมทางที่เลอที่สุดประเสริฐที่สุดมันไม่ต้องไปทนทุกข์ทนยากทนลําบากพวกเทวดาเขาไม่ได้อยู่ทุกยากลาบากอะไรเขาไม่ได้เจ็บแค่ได้ป่วยเหมือนเรา เขาไม่ต้องไปสร้างโรงพยาบาลไม่ต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ไม่ต้องมีรถ ม, มีหมอมีหยุกมียา <c oughs> บนสวรรค์นั่นหนะเขาไม่ต้องมีแน่สบายไหมสบาย เ, เราต้องต้องใจทำไปเถอะในเมื่อเรายิงมันไม่ยิงไม่สุดมันก็ต้องตกใส่อยู่ดีต้องใจให้สงบสงบในขณะที่เราขาดใจไปไปเกิดบนพรมโลก เพราะในความสงบนั่นอารมณ์ของมันมันจะบอกมันไม่ใช่เกี่ยวกับอารมณ์กรรมแล้วเพราะใจมันสงบเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ได้พรหมโลกได้ไท่านต้องได้ได้พรหมโลกภาวนาให้ใจได้รับความสงบในขณะตายจิตของเรายังมียังมีความสงบอยู่เนี่ยไปพรหมโลกแล้วไปพรหมโลกไม่ใช่ไปแค่อารมณ์การมอารมณ์กรรมทําทานอย่างยิ่งทําศีลอย่างยิ่งทําการกุศลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างยิ่ง ว่าแต่จะให้อกุศลมันขั้นไอตอนที่อาสานักรรมจะมาถึงออาสานักรรมคือกรรมจวนเคียนใกล้ใกล้เราจะขาดใจกันนะเหมือนอย่างเหมือนอย่างอะไรนะเหมือนอย่างพระเจ้าอะไรนะที่ทําเจดีเป็นมูลสีพันธนะ พเจ้าอะไรนะเวลาลลมเื่องกเงียบเลยพระเจ้าอะไรพระเจ้าอะไรที่ไปสร้างวัดอโศกอโศกนะอโศกพระเจ้าอโศกมหาราชวัดอาโศกการามวัดอาโศการามที่อินเดียเราเคยแวะไปดูเอ๊ะตอนนั้นใครไปหมอพาไปตอนนั้น พระโสกาบเ ม, มืองปาตลีบุตรหรือเมืองปัตตนะปัตตนะทุกวันเนี่ยพระยาโศกพระยาโศกเนี่ยแต่ก่อนเป็นนักรบฆ่าคนมาจนโอ้ตอนหลังมาเลยเบื่อนหน่ายกลับใจกลับใจเลยมาบำรุงทำบำรุงพระพุทธศาสนาสาร้าง แปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์แปดหมื 8, 000, 000, ่นสี่พันองค์เจดี 8, 000, ย์แปดหมืนสี่พันองค์ได้พระบรมสารีริกธาตุเอาไปบรรจุเหมือนอย่างที่เราเห็นนั่นแหละเสาหินพญารูปพญารูปพญารู ป, รปรสร้างมากมายถึงขนาดนั้นถามว่าอยโยมไปถามพระโมคขลีบุตรติทิสเธระโยมทํามหากุฒิส่มากขนาดนี้แล้วเป็นญาติกับศาสนาหรือยังบอกยัง ทั้มจะได้เป็นยากกับศาสนามีลูกชายมีลูกหญิงให้ไปบวช่านบานนะพระท่านบอกมีลูกชายมีลูกหญิงให้ไปบวชท่านก็เลยให้มาเห็นทกโมานกับนางสังขมิตตาพิสุนีเป็นพิสุนีองค์สุดท้ายที่เราได้ยินชื่อเป็นโอรสทิดาของพญาโศมนะพญาโสกทำบุญตลอดจนอายุไขพอแก่เท่าแก่ชารามา อมาตย์ไม่ตามใจสั่งอะไรเขาเขาไม่ทําซ่มอะไรเขาเขไม่ทํายากเลี้ยงพระห้าร้สัาระหนึ่ง เ, เขาก็ไม่จจกให้ในที่สุดใจก็โกรธริ้วโมโหโมโ ห, หเขาท่องทัศน์ที่ทำบุญกุศลมากมายมหาศาลเกลียวพอเกลียวปับ๊บตายตอนนั้นพอดีแหมไปเกิดเป็นสเดรชานนั่นทนที่จะไปสวรรค์ไม่ได้ไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะอาสัญกรรมมันมาขั้นนี่สําคัญที่สุดนะ เวลาใกล้จะตายท่านจะให้นึกถึงแต่เรื่องกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงมาให้นึกถึงอาุศลให้นึกถึงแต่เรื่องสิ่งที่ดีที่งามเคยทำอะไรเคยทำอะไรเคยทาอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีที่งามที่สุดให้นึกถึงเรื่องเหล่านั้นมันจะมีนิมิตมาบอกนิมิตก็คือเรื่องราวที่เราเคยทำที่เรียกว่ากรรมนิมิตกรรมนิมิตนิมิตมันเกิดจากกรรมที่เราเคยสร้างเคยทามา นิมิตที่เป็นเรื่องดีก็ทําทให้เราไปสูงไปสวรรค์นิมิตเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับอาสันน ร, รัมเนี่ยตายไปก็ไ ป, ไปนรกหรือไหม ก, ก็มาเป็นสัเดรชานเหมือนอย่างพระยาโศกเนะี่ยตายแล้วไปเป็นสัเดรชานเนะี่ยไปเป็นงูเหลือมเท่ากับต้นตานั่นนะ่ะนี่เราบองั้นนะชักลืมๆนั่นแห ล, ล ะ, ละเคยดูน า, มมานแล้วหลังเลี้ยงบอลแล้อันนี้ เพียงยกขึ้นมาเพื่อบอกว่าเวลาใกล้จะตายเนี่ยมันมีอาสนกรรมที่ไม่ดีมาขั้นไปไม่ได้ไปไม่ได้เราเวียนไหวตายเกิดในพระตาสงสารเราได้ไปเกิดบนสวรรค์ถือว่าเป็นที่พักริมทาที่เยี่ยมที่สุดแล้วแหล ะ, ะพระเจ้ากลัวพวกเราติดท่านจึ ง, จงแสดงโทษของกามโทษของกามแล้วก็ชี้มาที่พวกเรา เดี๋นี้เราทุกเรายากเราลําบากเพราะกรรมกามนับตั้งแต่ปากท้องตื่นหลับตื่นลืมตาขึ้นมานี่คือวัตถุกรรมยาวลําบากจากนั้นแล้มีลูกมีเต้ามีผัวมีเมียมีนู้นมีนี่มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายขนาดไหนมีคือโทษของกรรมนอกอย่างนั้นแล้วได้มาแล้วคืหัวงหัวงแล้วก็ไม่อยู่สมกับทีาเราหึงเราหัวหัวหัวเท่าไหร่ก็ โหดมากเท่านั้นห่วงของตัวไหนก็ทุกมากเท่านั้นทั้งรักทั้งถนอมทั้งโนกถนอมโนกถนอมมากเท่าไรก็พร้อมแต่จะรื้อม่หลุดมือไปง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นสามีที่เป็นสมบัติของภรรยาไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่เป็นสมบัติของสามีไม่ว่าจะเป็นของที่ดิบที่ดีที่เลิศที่สุดที่มาเกี่ยวข้องกับเรามันพร้อมที่จะรื้อไม้หลุดมือไปนี่คือโทษของมัน เราดูความเป็นอยู่ของเรามันทุบสักเท่าไหร่นี่คือการบริหารบริหารวิกามการก็ ค, รคือวัตถุกรรมตัวเราต้องดูเนี่ยแหละคือก้อนกรรมเป็นลูกเป็นเต้าเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยก็เหมือนอย่างครอบครัวหนึ่งผัวกับเมียสองคนมันก็แบกแบกกองทุกสองกล่องนะ่นหนึ่งกองทุกตัวเองสองกองทุกของสา ม, มีหรือไม่ก็ของภรรยามีลูกอีกหนึ่งคนแบกกองทุกสามกล่อง มีลูกสามคนแบกกองทุกห้ากองหัวก็แบกกองทุกห้ากองเมียก็แบกกองทุกห้ากอ ง, กกอ ง, กกองลูกแต่ละคนแต่ละคนก็แบกกองทุกห้ากองต้องดูแลต้องรับผิดชอบเก็บแค่ได้ป่วยหาอยู่หายยอยู่หากินสละพัดเก็บแค่ได้ป่วยความเป็นอยู่ทะเลเบาแว่งผิดจิต ผ, ผิดใจทําให้ชีิตใจของเราทุก ย่ากลำบากเพราะดูนี้คือนี่คือโทษของกามพระคุณตระกาท่านชี้มาที่โทษของกามถ้าไม่ชี้มาเนี่ยก็เราก็มกักจะมองข้ามแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็เห็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญคณะศาสนาศนะสาสนาธรรมยังมีให้เราดูแลให้เราฝึกฝนเหมือนอย่างที่เราหมาให้เราได้ฝึกได้สวดได้พิจารณาถึงคุณถึงโทษให้ลงลงในหลักของธรรมชาติ ก็เป็นช่องเป็นทางที่ทําให้เรารู้ช่องรู้ทางรู้วายรู้วิธีโทษของกามแสดงท่านพูดถึงอานิสงส์ของการออกจา ก, การามเนคข ม, มานิสังสกถาท่านพูดถึงเนคขมะคือการออกบวชนะนี่คืออานิสงส์การออกจากกามคือเอากายออกจากกามก่อนที่จิตมันจะออกจากกามได้ต้องเอากายออกจากกามไปไปอยู่บําเพ็ญเหมือนอย่างพวกฤๅษีจีไพรเขาออกป่าไปอยู่บําเพ็ญ นี่คือเอากายออกจากการรมแล้วก็พยายามเอาใจออกจากการมใจออกจากการรมได้เสมอใจได้รับความสงบเนี่ยมีอานิสงส์พระพุทธเจ้าท่านท่านแสดงถึงถึ ง, ถงอานิสงส์การออกจากกามมีผลมีอานิสงส์ทําให้เราจริตของเราไม่ว้าวุ่นกับเรื่องโทษของการรมานาการรมทั้งหลายเน่ยมันเป็นสิ่งที่ตัณหาไมแ่แทรกเข้ามาได้ทุกระยะทุกเวลา มันคอยสวมรอยมาพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเพราะสิ่งเหล่านั้นคือวัตถุกามเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นวัตถุกรรมพอจิตมันคิดถึงเรื่องอะไรนตัณหามันก็แทรกเข้ามาคิดถึงเรื่องรูปตัณหามก็แทรกเข้ามาจิตมันคิดถึงเรื่องเรื่องราวสารพัดเรื่องอะไรที่มันรุนแรงที่สุดมันก้องกวนหัวใจที่สุดอันนั้นนหละมันจะมาพันใจของเรา วาวุ่นอยู่ตกัสสิ่งเหล่านั้นนี่คืออารมณ์ของกามมาพันอยู่ในหัวใจจนกว่าเราจะสงบนะครับดับมันได้ใจของเราได้รับความสงบท่านแสดงนุปปพิกถาหเสร็จแล้วสรุปขมวดดงเที่ยริยะสัตสนะแสะดงให้ยักษะฟังยักษะได้ฟังจบได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นสวนดาบันพระพุทธเจ้าท่านแสดงนุ ป, ปุพิกถา เราพูดมาที่เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกับการมคุณเพราะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เรามีอยู่เราเป็นอยู่ เ, เป็นก้นบึง่งที่เราพยายามเน้นมาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านจิตใจเรื่องภาวนาให้ใจได้รับความสงบ ค, คือเรื่องของส ม, มุท tha เอ๊ะมันไม่ดังเหมือนแต่ก่อนนะดังก็ดังแปลกกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนดังม้วนวั น, นีกตัวนี้ พ <c oughs> อนั่งภาวนานั่งภาวนานั่งภาวนาเดี๋ยวสรุปขมวดตอนหลังเรามีปัญหาอะไรยังเหลือค้างอยู่เราก็คุยกันตอนนี้นั่งภาวนาก่อนอะาตั้งใจภาวนา ใ, ใจมันสงบ สงบเมื่อไหร่นั่นแห ล, ละคือกามในใจของเราสงบ